เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสายบัวครับสายบัวนี่เป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเวรกรรมอะไรไม่เชื่อเกิดอยู่ชนบทบ้านนอกมีหนุ่มๆ ม, มาติดพันเสมอแต่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตนี่ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างคาดคิดเพราะในโลกนี้จะหาอะไรแน่นอนไม่ได้ทุกวิถีชีวิตย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามโลกหมุนอ่า วันหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพวกชาวบ้านได้พร้อมกันไปทําบุญสังฆทานที่วัดตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าเท่าแก่หนุ่มสาวก็ตัดเตรียมอาหารขาวหวานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ตามที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาลเมื่อถวายพระทหารพระสงฆ์แล้วพวกญาติโยงก็พากันไหว้พระส่วนมนพร้อมกันเมื่อพระสงฆ์ฉันเพลเสร็จ ก็ให้ยัถาสัพพีพวกญาติโยมทั้งหลายก็นำอาหารที่เหลือมาร่วมกันรับประทานเสร็จแล้วก็ช่วยกันล้างภาชนะถ้วยชามต่างๆเก็บเอาไว้เข้าที่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็พากันทยอยกลับบ้านในวันเดียวกันนี้ก็มีผู้หญิงคนนึงชื่อลำดวนที่ไปร่วมทาบุญในวัดด้วยกันเกิดปวดท้องก็เลยขอตัวเพื่อนให้เพื่อนกลับก่อนแล้วจะเข้าห้องน้า แต่ก่อนจะเข้าก็ปลดเอาสร้อยทองที่แขวนคอห้อยไว้ข้างๆห้องน้ํานั่นแหละเพราะว่าพ่อแม่และผู้ใหญ่เคยบอกว่าเมื่อแขวนพระเครื่องที่คอก่อนจะถ่ายเบาวถ่ายหนักให้เขาถอดสร้อยแขวนพระเครื่องออกซะก่อนเพราะผู้ใหญ่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาถือว่าจะหมดความขลังแล้วก็ไม่เป็นความเคารพนับถือเป็นการลบหลู่ดูหมิน่นว่างั้นเมื่อสาวลาดวนทําธุรกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็ ออกจากห้องมาลืมสร้อยที่ห้อยไว้แล้วก็ปรากฏว่าเวลานั้นสาวสายบัวเนี่ยรออยู่จะไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันเมื่อสาวลาดวนเดินไปถึงหน้าประตูวัดก็เกิดนึกถึงสายสร้อยแขวนพระนั้นได้ก็เลยเรียบเดินมาตามหาเจอสาวสายบัวก็ถามว่าเห็นสายสร้อยแขวนพระเครื่องที่เราห้อยไว้ที่ข้างขาห้องน้าหรือเปล่าสายบัวบอกว่าไม่เห็น ลำดวนก็ถามเอาจริงเอาจังขอตรวจดูก็ไม่เห็นจะเห็นได้ยังไงเพราะว่าคือเอาซ่อนไว้ในกางเกงชั้นในเมื่อไปถึงบ้านลำดวนก็ไปเล่าให้พ่อแม่ตัวเองฟังว่าสร้อยแขวนคอมีพระเครื่องนี่หายไปแล้วก็เล่าความเป็นไปให้ฟังจนหมดทุกคนก็ปักใจว่าต้องเป็นแม่สายบัวแน่ๆในเวลานั้นไม่มีใครนี่พ่อแม่ของลำดวนก็ไปถามสายบัวสายบัวก็ปฏิเสธ แล้วยังกล่าวหาว่าลำดวนเองหาเรื่องเพราะว่าเคยมีความหลังที่แย่งหนุ่มรูปหล่อคนเดียวกันแม่และญาติทั้งสองฝ่ายก็พากันไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อสอบสวนพยานหลักฐานความจริงแต่เมื่อสืบสวนดูก็ไม่มีพยานหลักฐานแน่นอนทุกคนฝ่ายลำดวนก็ยังปักใจว่าสายบัวแน่ๆเป็นคนเอาไปแต่ญาติพี่น้องฝ่ายสายบัวก็หาว่าทั้งฝ่ายลาดวนหาเรื่องปั้นน้าเป็นตัว ไม่เคยเห็นลำดวนแขวนส้อยคอไปวัดเลยแต่ทางฝ่ายแม่และญาติของลำดวนก็บอกว่าเห็นสองฝ่ายก็โต้เถียงกันขึ้นจนจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันใหญ่โตทีนี้ทางฝ่ายมรคนายกที่เป็นกลางก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือให้ทุกคนไปวัดในวันนั้นทั้งสองฝ่ายาห่อขี้เท่าขอซ้ายมาเท่ากับปั้นของตัวเองแล้วก็ให้เอาสร้อยคอที่ ใครเอาไปนะใส่ลงในห่อนั้นตอนค่ำพรุ่งนี้ให้เอามารวมกองไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านต่อหน้าทุกคนแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเปิดต่อหน้าทุกๆคนถ้าเห็นแล้วก็ให้ส่งคืนเพราะว่าจะได้ไม่เป็นที่อับอายขายหน้าพี่น้องกันบ้านเดียวกันทั้งผู้ใหญ่บ้านก็เห็นด้วยทั้งญาติฝ่ายสายบัวก็เห็นด้วยแต่ทั้งญาติฝ่ายลําดวนเจ้าของสายส้อยไม่เห็นด้วยบอกว่าพ่อจะเคยตัวไม่ยุติธรรมในการทําผิด แบบนั้นมันโบราณล้าสมัยทำให้ขโมยได้ใจแล้วก็ไม่ละการทำบาปทำกรรมแม่ของลำดวนเปรยว่าให้สาบานดีกว่าจะยุติธรรมใครก่อกรรมทำบาปก็ให้มันรู้ไปฝ่ายมัคณายกวัดก็เห็นด้วยผู้ใหญ่บ้านก็ลงความเห็นด้วยกันทุกคนทั้งสองฝ่ายก็ตกลงไปวัดเตรียมขันใส่ดอกไม้ธูปเทียนไปด้วยไปสาบานต่อพระพุทธรูปองค์พระประธานในโบสถ์ ทั้งสองฝ่ายก็ประมาณยี่สิบคนก็ไปพร้อมกันเมื่อไปถึงก็เข้าไปในโบสถ์มรคนายกก็มาทำพิธีให้ฝ่ายลํำดวนผู้เสียหายว่าก่อนลํำดวนถือขันดอกไม้เข้าไปก้มกราบพระประธานแล้วก็กล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าใส่ความหาเรื่องว่าเรื่องไม่เป็นจริงปั้นน้ำให้เป็นตัวก็ขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปสิพายตายโหงเถอะภายในสามวันถึงสิบวันแล้วก็กราบลงคราวต่อไปก็ให้สายบัวว่า ก้มกราบพระประธานถือขันดอกไม้ขึ้นแล้วก็กล่าวว่าถ้าขบราชเจ้าใดขโมยสร้อยคอของลำดวนก็ขอให้ขราพเจ้ามีอันเป็นไปภายในสมถึงสบวันเช่นการเถิดแล้วก็ให้พากันกินน้ำสบานในขันที่เตรียมคนละกลืนขึ้นชื่อว่าคนไม่กลัวบาปไม่เชื่อกดแทงกรรมก็กล้ากระทำได้โดยไม่เกรงกลัวเวรภัยและคาสบานเลยหลังจากที่คู้กรณีทั้งสองฝ่ายและญาติเสด จ, จาคาสบาน ละดื่มน้ำทบานกันแล้วก็พากันทยอยเดินทางกลับบ้านต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาน า, นาวันเวลาผ่านพ้นไปอีกเจ็ดวันวันที่เจ็ดนั้นสายบัวพอทานข้าวเสร็จแล้วก็เข้านอนนอนไปได้ประมาณสิบนาทีก็รู้สึกปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องแม่รู้อย่างนั้นก็เลยพาไปหาหมอยาพื้นบ้านหมอก็ให้รากไม้และจาพวกว่านที่คือถือว่าเคยมีสรรพคุณดีมาก่อนเอามาผล อ่าผสมน้ำให้ดื่มแต่ก็พอทุลา่เบาบางไปนิดหน่อยแล้วหมอก็ได้ผล น, น้ำยาผสมใส่ขวดให้ไปกินที่บ้านด้วยคงหายแน่ถ้ากินหมดขวดนี่ละสั่งแล้วก็เป่าเสีงน้ำมลอีกบอกไม่ต้องตกใจหายมาแล้วทุกคนอ่าแต่ถ้าเป็นโรคกรรมนี่ทำยังไงก็จะไม่หายนะหมอว่างอนพวกชาวบ้านที่เป็นผ่ายลำดวนผู้เสียหายต่างก็วิพากวิจาร์กันว่าคอยฟังเหตุการณ์ต่อไป บางคนก็บอกว่าถ้าสายบัวมันขโมยของจริงอนะไม่มีทางหายอะตายลูกเดียวบางคนบอกว่าไม่รู้ทางไหนจะถูกน้ำสาบานจริงว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นศัตรูกันอาจจะหาเรื่องอาฆาตปริยาบาตกันก็ได้รุ่งเช้าในวันต่อมาขณะที่แม่ของสายบัวทากับข้าวอยู่ในห้องครัวสายบัวก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาก็ร้องถามแม่ว่าขวดยาแก้ปวดท้องนะ่ะอยู่ไหนกันแม่ แม่ก็บอกกระควรน้ํายาก็วางอยู่ใกล้ๆกับต้นเสากลางบ้านกลางเรือนนะเนี่ยเสร็จแล้วแม่ก็ทําอาหารในครัวต่อสายบัวด้วยความเจ็บปวดท้องอย่างแรงก็เลยยกเอาขวดยาที่วางอยู่ใกล้ต้นเสากลางเรือนขึ้นดื่มประมาณหนึ่งแก้วเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนในห้องต่อไปสักครู่สายบัวก็เริ่มมีอาการปวดท้องมากขึ้นมากขึ้นจนดิ้นทุรไลไปมาเสียงดังกุกลักกุกลักโวยโวอยู่ภายในห้อง แม่ได้ยินก็ร้องถามว่าลูกเป็นอะไรก็ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงดิ้นรนครวญครางขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกตกใจรีบเดินเข้าไปดูลูกสาวแต่ก็ต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อเห็นลูกสาวนอนดิ้นไปมามีน้ำลายฟูมปากก็ร้องให้ชาวบ้านไปตามหมอมาเร็วพอหมอมาถึงก็ถามว่าสายบัวกินอะไรเข้าไปถึงได้เป็นอย่างนี้แม่ก็เล่าเรื่องที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ให้ฟังหมด หมอก็เลยไปหยิบขวดยานั้นขึ้นมาดูก็แปลกใจมากเพราะว่าตอนที่เอาวอมบอกอวางไว้ในะใกล้กับต้นเสานะั้นมีเพียงขวดเดียวแต่ตอนนี้ทำไมยาถึงมีสองขวดส่วนอีกขวดหนึ่งมันเป็นขวดใสา่ ย, ยาอะไรกันแนะ่อ่าหมอก็บอกไม่ได้การซะแล้วก็บอกให้นําน้ําเปล่ า, ลามาให้สายบัวดื่มมากๆแล้วก็บอกให้แปะหาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวที่สุดปอกเปลือกเอาน้ําคั้นให้กินเมื่อกินแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยหมอเห็นว่าไม่ได้การก็ บอกให้รีบส่งโรงพยาบาลด่วนการเดินทางในสมัยนั้นลาบากมากต้องใช้บัวเทียมเกวียนลากไปหมอบอกให้ไปเร็วที่สุดอย่าชักช้าเพราะอาการหนักมากเดี๋ยวจะไม่ทันการเวลานั้นพอดีพ่อของสายบัวกลับมาจากทางานแต่พอมาเห็นหน้าลูกสาวเพียงหนึ่งนาทีนั้นสายบัวก็ดิ้นทุรนทุรายไปมาแล้วก็ขาดใจตายซะแล้ว คนไปตามอาวัวกับเควนก็มาถึงพอดีกับที่สายบัวสิ้นใจพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างก็พากันเศร้าใจไปตามตามกันพ่อของสายบัวก็ได้สอบถามกับภรรยาของตนว่าสายบัวดื่มยาที่ไหนจึงนึกได้ว่าขวดยานั้นเป็นยาที่ตัวเองซื้อมาจากตลาดจะเอามาฉีดเพลี้ยแล้วก็ฆ่ า, มาแมลงเอาไปวางไว้ที่ต้นเสาโดยไม่รู้ว่ายาอีกขวดหนึ่งเป็นยาที่ลูกสาวกิน พอรู้อย่างนั้นผู้เป็นพ่อก็ล้มพุบลงสิ้นสติทันทีต้องนำไปประถมพยาบาลแก้ไขแต่ก็ยังไม่พื้นเป็นปกติก็เลยต้องนำส่งโรงพยาบาลด่วนหมอได้ทำการพยาบาลแก้ไขจึงพื้นกลับมาในวันนั้นหลังจากที่ได้ช่วยกันทำโรงศพของสายบัวเสร็จแล้วก่อนจะนำศพสายบัวลงใ ส, โงส่โรงศพก็พากันอาบน้ำศพแล้วทาแป้งให้แม่และพี่สาวก็พากันไปรือ้อเก็บที่นอนน้องสายบัว มีหมอนมุงเสือผ้าห่มที่สายบัวได้เคยนอนเป็นประจำก็ได้เห็นสายสร้อยทองหนักบาทหนึง่งวางอยู่ที่ใต้เสือนั้นซึ่งเอาฟูกทับไว้อีกชั้นหนึง่งความเท็จจริงของปัญหาก็เฉลยออกมาแล้วให้เห็นปรากฏชัดคนที่เสียออกเสียใจมากที่สุดในครั้งนั้นก็คือพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวของสายบัวเมื่อเหตุการณ์เห็นชัดอย่างนั้นก็เลยปรึกษากันว่าจะต้องนําเอาสร้อยทองเส้นนั้น ไปส่งคืนสาวลำดวนในวันนั้นและกล่าวคำขอขมาลาโทษอโหสิกรรมเรื่องนี้เป็นที่เล่าขานกันมานานหลายปีแล้วแล้วก็ยังเป็นที่เล่ากันต่อไปไม่รู้จบสิน้นอ่าเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจคนทั้งหลายโดยเฉพาะอนุชนคนรุ่นหลังให้รู้ให้ตรึกตรองให้แน่ซะก่อนที่จะทําหรือคิดหรือว่าดําเนินการอะไรพเพราะกระทําไปแล้วผิดแล้วแก้ไขา ย, ยากและจะให้กลับคืนดีอย่างเดิมนั้นไม่ได้แล้ว ขอฝากเตือนไว้เป็นคติธรรมนำทางดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องจะได้ไม่เดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็ชีวิตก็จะมีความสุขครับผมบางครั้งคนเรานะเพื่อความอยู่รอดของชีวิตตัวเองและคนรอบข้างซึ่งเป็นที่รักก็ต้องยอมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขัดต่อศีลธรรม ทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่แก่ใจดีว่าผิดโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมาในภายภาคหน้าคิดอย่างเดียวคือปัจจุบันทำยังไงจะได้มีเงินซื้อข้าวกินมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเท่านั้นเรื่องของอนาคตไกว่ากันที่หลังครอบครัวของคุณประดิษฐ์นี่เป็นครอบครัวที่มีฐานะบานกลางแกจำได้ว่าเมื่อตอนแกยังเด็กอายุประมาณสักสิ1สี่สิบห้าปี ตอนนั้นพ่อกับแม่พาแกกับน้องสาวมาเช่าบ้านอยู่แถวย่านบางพูเป็นตึกแถวสามชั้นเจ้าของเขาปลูกขายแต่คนที่ซื้อเอาไว้เขาไม่ได้มาอยู่แล้วก็ประกาศให้เช่าพ่อคุณประดิษฐ์ผ่านไปแถวนั้นเห็นว่ามันเหมาะที่จะค้าขายแล้วก็อยู่อาศัยได้ด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ตลาดก็เลยตกลงใจพากันย้ายจากราชวัฒนมาอยู่ที่บางพูสมัยเมื่อยี่สิกว่าปีมาแล้วนี่ค่าเช่าบ้านยังไม่แพง ถ้าเกจจำไม่ผิดตึกห้องแถวสามชั้นที่ไปเช่าเขาอยู่นี่ราคาเพียงแค่พัน0้บาทเท่านั้นถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะต้องมีการเซ้งกันหลายหมื่นทีเดียวพ่อคุณประดิษฐ์ทำงานบริษัทที่มีชื่อที่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างทั้งยารักษาโรคจนถึงผงสักพอกยี่ห้อดังๆหากเอ่ยชื่อก็เป็นต้องร้องอ๋อทันที ส่วนแม่นะ่ะอดีตเคยทำงานเป็นนางพยาบาลที่โรงพยาบาลแถวแถวสวนลุมพินีมาพบรักกับพ่อคุณประดิษฐ์ที่นั่นเห็นแม่บอกว่าพ่อไปเสนอตัวอย่างยาที่โรงพยาบาลเจอกันบ่อยก็เลยชอบกันแต่งงานแล้วจนกระทั่งคุณประดิษฐ์มีอายุได้สิบสองปีแม่ถึงได้ลาออกจากงานเพราะว่าต้องมาดูแลน้องสาวคุณประดิษฐ์ที่เป็นโรคหอบหืด แต่แม่ก็มีความรู้หลายด้านทั้งตัดเย็บเสื้อผ้าและเสริมสวยทำผมแต่งผมพอบ้านย้ายมาอยู่ตึกแถวสามชั้นก็เลยเหมาะในการเปิดร้านเสริมสวยของแม่ซะเลยลูกค้าก็เป็นคนในย่านนั้นที่เป็นชาวตลาดแล้วก็พวกนักร้องในคลับแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่มาเช่าหอพักอยู่ใกล้ๆชั้นสองเป็นที่พักอาศัยคุณประดิษฐ์ไม่รู้ว่าแม่ท่านได้เปิด กิจการพิเศษนอกเหนือจากเสริมสวยขึ้นตั้งแต่เมื่อไหรเพราะว่ากลางวันเนี่ยคุณประดิษฐ์ต้องไปเรียนหนังสือมารู้อีกทีตอนเห็นมีผู้หญิงวัยรุ่นบางสาวใหญ่บ้างขึ้นไปบนชั้นสองกับแม่แล้วก็หายไปในห้องเล็กๆที่ติดกับทางขึ้นชั้นสามโดยแม่บอกให้คุณประดิษฐ์เฝ้าชั้นล่างแล้วก็คอยดูต้นทางตอนนั้นนะคุณประดิษฐ์ยังง ง, ง จนกระทั่งพวกผู้หญิงเหล่านั้นกลับไปแล้วแม่ถึงได้เล่าให้ฟังว่าคนพวกนี้เขาเป็นนักร้องไนท์คลับบ้างเป็นหมอนวดบ้างเวลามาทาผมที่ร้านแม่ก็คุยปรึกษากันถึงปัญหาเรื่องการตั้งท้องโดยไม่เจตนาต่างก็เสาะหาสถานที่จะทำแทง้งแม่เองเคยเป็นนางพยาบาลเป็นผู้ช่วยแพทย์ประดุงคันรู้เรื่องนี้ดีแล้วก็เคยทำด้านนี้มาบ้าง แม่คร่กรวญอยู่หลายครั้งเห็นว่าตอนนี้ภาระในบ้านเรามีมากลำพังพ่อคนเดียวก็นหนักพอสมควรในการรับผิดชอบครอบครัวส่วนไรายได้ในร้านเสริมสวยก็เอาแน่ไม่ได้บางวันก็มีลูกค้าบางวันก็ไม่มีแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะรับทาแท้งให้พวกนั้นทีนี้ปากต่อปากก็เลยมีคนทำมากขึ้นเรื่องนี้พ่อยังไม่รู้นะถ้ารู้ต้องเล่นงานแม่ตายแน่เลยลูกต้องช่วยแม่เก็บเป็นความลับนะ แต่มันบาปกรรมไม่ใช่หรือครับแม่คุณประดิษฐ์ถามออกไปเพราะว่าเวลานั้นอายุประมาณสิบสี่สิบห้าก็โตพอที่จะรู้เรื่องดีเรื่องชั่วแล้วแม่ก็มีสีหน้าสลดลงแล้วก็บอกว่ามันก็จริงะลูกแต่มันเป็นความจําเป็นแม่ตั้งใจว่าจะทำอีกไม่กี่ครั้งก็จะเลิกสองแม่ลูกก็คุยปรึกษากันคุณประดิษฐ์นะเข้าใจแม่ดีก็คอยเป็นต้นทางดูทั้งพ่อทั้งตารวจให้แม่ ตั้งแต่นั้นมาหลังจากกลับจากโรงเรียนด้วยความอยากรู้คุณประดิษฐ์ก็สอบถามถึงวิธีที่จะทํานั้นว่าน่ากลัวแล้วก็เป็นอันตรายไหมแม่แม่ก็เล่าให้ฟังว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญแล้วก็อนามัยของเครื่องไม้เครื่องมือคุณประดิษฐ์ก็ไม่รู้ว่าสมัยนี้เขาทํากันยังไงแต่สมัยแม่นั้นอ่ะเขามีเครื่องมือที่เรียกกันว่าปากเป็ดลักษณะเหมือนที่หนีบผมหรือว่าไม้หนีบผ้าแต่ว่าอันใหญ่กว่าทําได้โลหะ ใช้สอดใส่เพื่อเปิดปากช่องคลอดแล้วก็ใช้น้ํายาสําหรับการนี้โดยเฉพาะฉีดเข้าไปเพื่อกัดก้อนเลือดที่จะเป็นทารกภายในมดลูกหลังจากนั้นมดลูกก็จะบีบตัวขับก้อนเลือดนั้นออกมาตามธรรมชาติแต่ถ้าก้อนเลือดนั้นเริ่มจเจริญเติบโตมากขึ้นก็เป็นการยากที่จะเอาออกถ้หมอไม่เก่งจริงอาจจะมีการตกเลือดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คุณประดิษฐ์ฟังดูแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวมาก แม่มาเลิกทำโดยเด็ดขาดเมื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของแม่เมื่อมีลูกค้ารายหนึ่งเป็นนักศึกษาหญิงใจแตกมั่วสัมสนกับผู้ชายไม่เลือกจนตั้งท้องเธอท้องเกือบห้าเดือนแล้วแต่มักโกหกแม่ว่าแค่เดือนเดียวประกอบกับเธอเป็นหญิงสาวรูปร่างเล็กก็ดูไม่ออกเพราะท้องไม่ใหญ่เย็นนั้นคุณประดิษฐ์ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแม่ก็ทำพิธีเหมือนที่เคยทำแล้วก็สำเร็จด้วยดี ไม่มีการตกเลือดแต่สิ่งที่ทําให้แม่ตกใจก็เพราะว่าซากก้อนเลือดที่หลุดออกมานั้นมันเริ่มเป็นมนุษย์แล้วแขนและขาเริ่มโผล่ให้เห็นเครื่องหมายเพศนิระบุว่าเป็นทารกเพศ ช, ชายแม่ก็เสียใจมากหลังจากคนไข้ที่เป็นลูกค้ากลับไปแล้วคุณประดิษฐ์เองเป็นคนช่วยแม่นํำซากศพทารกนั้นไปขุดดินฝังไว้หลังบ้านหลังจากนั้นมา แม่ก็เลิกทําเด็ดขาดนําเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดไปโยนทิ้งในแม่น้ําเจ้าพระยาหมดคุณประดิษฐ์เองก็สบายใจขึ้นตามปกติแล้วครอบครัวของคุณประดิษฐ์นี่เป็นครอบครัวที่ใจบุญสุนทานโดยเฉพาะแม่นะ่ะชอบทําบุญทําทานกับเพื่อนมนุษย์และก็ศาสนาเป็นประจําแต่เชื่อไหมว่าผลบุญก็ส่วนผลบุญผลกรรมก็ส่วนผลกรรม เมื่อคุณประดิษฐ์อายุได้21ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกทหารแม่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปากหมดลูกท่านทรมานมากก่อนหมดลมหายใจร้องครวนคร้งด้วยความเจ็บปวดจากโรคร้ายบางครั้งก็ร้องเอะอะโวยวายเพ้อถึงแต่ว่ามีเด็กๆหลายคนจะเข้ามาทุบตีร้องบอกคนโน้นคนนี้ให้มาช่วยทีมีเด็กผู้ชายปีนขึ้นมาบนตัวท่านแล้วก็จะบีบคอซึ่ง ทุกคนก็ไม่มีใครเห็นอย่างที่ท่านว่าทุกคนก็พากันประหลาดใจมีแต่คุณประดิษฐ์คนเดียวที่รู้ว่ามันคืออะไรแม่จากคุณประดิษฐ์และทุกคนไปหลายปีแล้วและหลายปีที่ผ่านมาก็ทําให้คุณประดิษฐ์ไม่มีความสุขคิดกังวลแต่เรื่องเวรเรื่องกรรมที่ผ่านมาบอกตามตรงว่ากลัวจริงๆกลัวว่าตัวเองจะได้รับผลกรรมนั้นด้วยถึงไม่ได้เป็นผู้ลงมือแต่ว่า แกก็สมรู้ร่วมคิดดูต้นทางครับผลกรรมยังไม่ก่อกำเนิดให้เกิดทุกทางร่างกายแต่ทางจิตใจนั้นคุณประดิษฐ์ทุกเหลือเกินทุกอย่างแสนสาหัสที่เดียวล่ะครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าอันนี้กุณฑาภาพรอยู่สุพรรณบุรีเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนข้างบ้าน ของคุณนภพรเองครอบครัวของตาชมกัยายมีมีลูกชายสองคนคนโตชื่อแคล้คนน้องชื่อเดชพี่น้องทั้งสองคนนี้เรียกได้ว่าต่างกันลิบลับแบบว้ากับเหวเลยพ่อของคุณนภาพรเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ลุงแคล้ยังเป็นหนุ่มๆรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อชื่อเสียงลุงแคล้เด่นดังไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีนักเป็นอันาพานเต็มตัวตั้งแต่เล็กมาแล้ว แกทำแต่เรื่องเดือดร้อนแล้วก็ทุกข์ใจให้แก่พ่อแม่เป็นเด็กก็เกเรเป็นหนุ่มก็มีเรื่องมีราวชกต่อยทําร้ายกันมีวาดกันทั้งในหมู่บ้านและต่างถิ่นลักขโมยมั่งฉุดค่าผู้หญิงมั่งสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่ต้องตามแก้ไขมาโดยตลอดพูดได้ว่าเป็นคนชั่วโฉวเต็มตัวคนหนึ่งทีเดียวลุงแคลประพฤติตัวเลวอย่างไรตั้งแต่เล็กยันเป็นหนุ่มแก่ก็ทําอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งอายุ ป, ป่าเข้าไป40ิกว่าแล้ว แกก็ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนลุงเดชนะ่ะเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานในไร่ในานาโดยไม่เห็นแกเน็ตแกเหนื่อยช่วยเหลือเพื่อนบ้านเท่าที่จะช่วยได้ลุงเดชก็เลยเป็นที่รักของทุกคนตาชมก็ยายมีพ่อแม่ของลุงแคล้วเคยคิดว่าตาหากลุงแคล้วมีอายุมากขึ้นนี่คงจะดีได้ แต่ทั้งสองนะ่าคิดผิดถนัดเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วลุงแคล้วได้ก่อกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นบาปมหันต์เลยทีเดียวบาปกรรมเนื่องมาจากความโลภอยากได้ไม่รู้จักพอเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าตะชมกัยมีนะเห็นว่าทั้งสองแก่แล้วอยากจะเข้าวัดเขาวาทำบุญทาทานเพราะลูกทั้งสองต่างก็แยกเรือนมีครอบครัวเป็นของตนเองแล้วก็เลยจัด ก, การแบ่งสมบัติคือที่ดินที่มีแก่ลูกทั้งสองคน โดยแบ่งที่นาให้ลุงแคล้วกับลุงเดชคนละสิบไร่ส่วนที่ดินที่ปลูกบ้านอยู่นั้นยกให้ลุงเดชเนื่องจากลุงเดชเป็นคนเลี้ยงดูกแกมานานแล้วแต่ขณะนั้นที่ดินบริเวณที่ปลูกบ้านนั้ น, นยังมีราคาแพงแล้วก็เป็นที่ต้องการเนื่องจากมีนายหน้ามากว้านซื้อให้แก่เท่าแก่คนหนึ่งซึ่งมีโครงการจะทํารีสอร์ทก็ทําให้ลุงแคล้วไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พ่อแม่ยกที่ดินผืนนั้นให้ลุงเดช ลุงแคล้วก็เลยไปอารวาสกระทชมเละยายมีเพื่อบังคับให้ขายที่ดินแล้วก็นําเงินมาแบ่งกันพร้อมกระด่าวว่าอย่างรุนแรงแต่ตระชมเลยยายมีไม่ขายเนื่องจากยกให้ลุงเดชไปแล้วและครอบครัวลุงเดชก็อยู่กับแกถ้าขายที่ดินแล้วจะต้องไปปลูกบ้านใหม่เดือดร้อนกันเปล่าๆลุงเดชนะแกไม่เดือดร้อนอะไรเรอกแกมีอยู่มีกินอย่างสบายเพราะว่าแกเป็นคนขยันแกก็เลยบอกว่าไม่ขายอะ่ะ ต้องการให้พ่อแม่ได้อาศาัยอยู่บ้านของตนเองเพราะว่าทั้งสองก็อายุมากแล้วไม่รู้ว่าลุงแคล้วจะพูดยังไงทั้งหมดก็ยืนกรานว่าจะไม่ขายที่ดินผืนนี้โดยเด็ดขาดเหตุการณ์ผ่านพ้นไปประมาณสองเดือนทุกคนต่างคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วลุงแคล้วก็คงพูดไปเพราะความโมโหพี่น้องกันคงไม่คิดทำกันจนถึงตายแต่แล้วในคืนวันหนึ่งขณะที่ลุงเดชกลับจากไปช่วยงานบวช เพื่อนบ้านแกก็ถูกลอบยิงพลุนไปทั้งตัวถึงตายขาดที่กว่าทุกคนจะรู้ก็สายเกินไปชั้นแรกตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุการฆาตกรรมแต่ว่าทุกคนก็พอจะคาดเดาได้ว่ามาจากเรื่องอะไรแต่ไม่มีใครกล้าพูดคงปล่อยให้เป็นเรื่องที่ฝ่ายตำรวจจะต้องจัดการต่อไปหลังจากงานศพลุงเดชผ่านไปประมาณเจวันความจริงก็กระจ่างขึ้นโดยไม่ต้องรอความยุติธรรมจากฝ่ายกฎหมายบ้านเมือง เพราะว่าผลแห่งกรรมชั่วนั้นมันได้ปรากฏแก่ลุงแคล้วในเวลาต่อมาคืนหนึ่งตอนดึกสงัดคนบ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินเสียงทะเลาะโวยวายดังออกมาจากบ้านของลุงแคล้วพร้อมกับเสียงปืนดังขึ้นสองนัดก็รีบพากันไปที่บ้านลุงแคล้วทันทีพบผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งสวนออกมาก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้เมื่อเข้าไปในบ้านก็พบว่าลุงแคล้วกลายเป็นศพไปซะแล้ว แกโดนยิงเข้าที่หัวนัดนึงอีกนัดนึงที่เบ้าตากระสุนทะลุท้ายถอยกะโหลกเปิดสมองกระจายเป็นที่น่าสมเพชยิง่งจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนร้ายสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงลุงแคลวเองเนื่องจากลุงแคล้วเบี้ยวค่าจ้างในการจ้างวานฆ่าลุงเดชพร้อมกับบอกว่าตัวเองเป็นคนยิงลุงเดชจนถึงแก่ความตายก่อนที่จะถูก นำตัวส่งตำรวจคนร้ายบอกว่าลุงแคล้วนะ่ะเบี้ยวค่าจ้างยังไม่พอแถมยังพูดจาดูถูกแกด้วยทำแบบเนี้ยสมควรจะตายแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็ทําให้เชื่อได้ว่ามันเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ลุงแคล้วได้กระทํากับลุงเดชมาแล้วอย่างแน่นอนและมันได้มาสนองลุงแคล้วเข้าให้สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เห็นว่าจุดจบของคนชั่วเป็นอย่างนี้ล่ะครับเป็นจุดจบที่น่าสังเวชซะจริงๆ